พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30ทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ยังไม่ได้การันตีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30สิบ ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้รู้สึกว่าจะหนาวกว่าทุกวันปีนี้นะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกลานหนาวกว่าเมื่อวานนะแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวจริงๆแค่พอค่อนขนข้างค่อนข้างกะลำบากนะ แต่ไม่ถึงกับลําบากแต่กลางวันก็รู้สึกว่าอากาศก็พอดีพอดีเนี่ยอากาศปีนี้ถ้าจะว่าอากาศปีนี้หนาวไหมก็ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงว่าหนาวนะแต่อย่อยาจะพึ่งอย่าพึ่งไปบอกว่ามันหนาวหรือมันไม่หนาวเหมือนกับฝนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ ทั้งที่มัน ถ, ถึงเดือนตุลาถึงเดือนตุลาหมดเขตแล้วอออกพรรษาแล้วหมดเขตกรถินแล้วะเดือนสิบเอ็ดเพนลนละคิดว่ามันจะหมดหมดฝนแล้วมันยังถลายมาจนถึงเดือนสิบสองเพลนนะยังไม่กี่วันถึงเดือนสิบสองเพลนวันเดือนสิบสองเป็นเป็นวันที่สิบสี่ฮะ ใ น, นวันที่แปดที่เก้าเนี่ยที่ฝนตกมาน้ำท่วมวัดเราที่เสียหายนี่แหละแตทั้งทีมันไม่เคยมีแต่นี้ก็แหม่แน่เหมือนกันนะ อ, อ, อาจจะไปหนาวเดือนสี่เดือนห้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกหลานะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็ ง, งานกำแพงของวัดของเราก็เออ กูบาทั้งหลายก็สต็อปไว้ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พวกเด็กพวกอะไรเขาก็คงจะไปทำงานทำพักพักผ่อนมั้งอะไรวันหน้างานก็เลยพักพวกะั้นวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามนะคงจะมาเริ่มงานอีกก็คงจะใช้เวลาอีกพอสมควรเดี๋ยวนี้เพียงแต่ซ่อมถ้าจะเปรียบเทียบกัเหมือนกับซ่อมนิ้วมือนิ้วเท้าตนเอง ยังไม่ได้ซ่อมเข้ามาถึงจุดใหญ่มันจุดใหญ่แนตะ่ยังไม่ได้ซ่อมซ่อมเสร็จถ้าจะถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาก่งานร้อเปเนี่ยเราจะซ่อมได้ประมาณสักสิอสอร์เซนตะ์ที่เราซ่อมแต่ก็ไม่เป็นไรหลักที่เรียนให้ทราบแล้วบอกให้ทราบนะึ่งก็เพื่อให้พวกเราได้รู้ เราะว่าการซ่อมไปยังไงถึงไหนเท่านั้นเองนะคงจะซ่อมไปเรื่อยๆถึงไหนก็ถึงนั้นแหะจะเสร็จไหมปีนี้อันนั้นเราก็ไม่คาดการเหมือนกันเสร็จก็คือเสร็จถทางว่ามไม่เสร็จเอาไว้ก่อนอันนี้ก็คืองานและก็พร้อมกันช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ ปีใหม่ที่จะถึงอีกไม่กี่วันวันนี้วันที่สามสิบแล้วนะคณะสัทธา ญ, ญาณโยมสามสิบเอ็ดวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีแตพ่พวกเราก็เหมือนกันนะเอถ้ามาได้ไปสวดมนต์สวนใหญ่เราสวดที่บ้านเราก็ได้นและสวดที่วัดเราก็ได้อสวดที่บ้านเรือนของเราก็ได้ พอเขาไปในห้องพระ เ, เะระสร็จแล้วนนนเขาไหว้พระเสร็จแล้วขนาดนั้นสวดอิติปิโสนะอิติปิโสฉันเสญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อิ ต, ติปิโสพระวาระหังสามมาสามพุทธโธนเ อ, อเอาสักเจ็ดแปดร้อยเทียเ่ยวหน่อหรือว่าสองสามร้อยเที่ยวก็ได้เรียบร้อยแปดจบก็ได้ หลือเอาเท่าลูกประคำก็ได้สวดที่พิโซการล้วนแล้วแต่เป็นมงคลสําหรับชีวิตทั้งนั้นแหละเพราะเราสวดมนต์ปีหนึ่งแล้วก็สวดสวดมนต์ข้ามปีถ้าเราไปในที่ชุมชนสาธารณะก็ได้ก็ดีถ้าว่าไปไม่ได้กนะ็สวดที่ไหนก็เป็นมงคลทั้งหมดเพราะทําคุณงามความดี น, ะนี่ ในเขาขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วก็คือปีใหม่เราจะทำอะไรให้เป็นิรีเป็นมงคลสำหรับเราเราจะไปกราบพระจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่ไหนองค์ไหนเราจะไปหาไปกราบพ่อกราบแม่พ่อแม่ของเรายังอยู่อยู่ไหมเราจะเอาอะไรไปเปลี่ยนให้พ่อให้แม่ได้ใช้ในช่วงนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะนะั่นแหละคิดว่าจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสานาต่อประเทศชาติต่อญาติพี่น้องของเราหรือว่าตัวของเรานะ่ยสรุปแล้วก็คือตัวของเรานะนะั่นแหะจะเป็นประโยชน์จะทําอะไรให้เกิดประโยชน์สําหรับตัวของเราในช่วงเทศกาล ปีใหม่นี้นี้พวกเราคิดนะพยายามปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้ไปในทางที่ดีที่ดีขึ้นนะแต่หลวงพ่อเองก็ได้ยินข่าวาทางฝ่ายคณะสงฆ์แต่หลวงพ่อก็อไม่อยากจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระป่าพระดง แต่สมัยก่อนหลวงตามหาบัวยังสรงาธาตขันอยู่ <S <S ท่านก็พูดในเรื่องนี้เหมือนกันหลวงพ่อก็ได้เข้าไปไประชุมไม่รู้ว่ากี่ครั้งเหมือนกันอท่านก็เน้นนัว่าเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ของพระเนี่ยก็ควรจะมอบภายในหลวงให้ในลใหในลวงเป็นใหญ่ถ้าเอาออกมาแล้วมันจะยุ่งนะนะมันก็ยุ่งจริงจริง ลงตาท่านบอกไว้แล้วถ้ า, าออกมานี่ยมันจะยุ่งนะถ้ า, าว่ามอบไปในหลวงเป็นใหญ่ซะถ้ามีอะไรเสนอขึ้นไปก็ให้พระองค์การกรองไตรต้องเรียบร้อยแล้วก็แต่งตั้งออกมาถ้าหากว่าพวกเราออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ผู้ใดเป็นผู้เสนอขึ้นไปคณะรัฐมนตรีอธิปดี นายกรัฐมนตรีหรือใครผลที่สุดพระก็เลยไปวิ่งเต้นทันว่าท่านท่านพูดกคอนนะท่านพูดไว้ก่อนพระมันจะไปวิ่งเต้นเอาเงินไปจ้างโยมแต่นี้ก็พวกที่เป็นริวลล้อเนะี่ยอย่างลูกศิษย์หลวงพ่ออินเนะี่ยอยากจะให้หลวงพ่ออินเป็นพวกโคนะเอาเงินไปจ้างเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัด เพื่อจะให้หลวงพ่ออินได้เป็นเสนอขึ้นไปลักษณะอย่างนั้นแหลอมันจะเป็นมีจะมีคอร์รัปชันในคณะสงฆ์นะไอ้ที่ลงตาท่านพูดหลวงพ่ อ, อฟังเห็นด้วยสมัยนั้นพอวันนั้นมาคราวนี้ก็น่ยแหละจุงเยิงวุ่นวายจริงๆอย่างพวกเราได้เห็นนะนะเปิดโทรทัศน์เปิดจอโเซเชียนขึ้นมาแล้วก็ เห็นแต่เรื่องพระแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะมีเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าควรจะอยู่ในความสงบเงียบอยู่ในศีลในธรรมจะมีอะไรก็อพูดซะในเรื่องลาบเรื่องยศภายนอกนั้นก็ควรจะมอบให้เป็นเบื้องเจา้าวัาเจ้าเป็นดินคารวะญาติโยมออันนี้ความเห็นหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นพระป่าพระตรงนะพอหลวงพ่อเนื่อ อยู่อย่างหลวงพ่ออินก็พอแล้วสาหรับหลวงพ่อนะแต่ในหลักของพุทธศาสนาจะเอาอะไรจะตั้งใครเป็นผู้มีคุณธรรมไหมอันนั้นมันก็พูดยากอีกเหมือนกันคําว่าคุณธรรมคํำนี่แต่ว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไหมเอออันนั้นพอจะตรวจตราดูได้ว่าการประพฤติของท่านสมัยเป็นพระน้อยพระหน่งจนถึงมาบัตินี้เลยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องในศีล มากน้อยแค่ไหนออันนั้นพอจะพูดได้แต่ว่าคุณธรรมในจิตใจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยังรู้ได้ขนาดพระพุทธเจ้าสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยูนะ่มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งไปภาวนาในปา่าไปภาวนาภาพียรสูตรสามสิบรูปนะไปภาวนาในปา่าพอภาวนาได้ สมาธิของอแนบหนึ่งแนบแน่นกับพิจารณาดูแล้วว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระรอรหันต์ได้เร็จเป็นพระอรหันต์แล้วใกล้ๆว่าจะมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกกระผมนี่ไปภาวนานี่ยได้สําเร็จแล้วจบแล้ว เ, เหมือนกับพระสงฆ์กลุ่มเหมือนอื่นที่ท่านได้ไปภาวนาได้สาเร็จ ก็มากราบพระพุทธเจ้าพระพุพระโร์เอเอเ้าแต่จุบแล้วท่านพวกท่า น, ท, านทั้งหลายาหมดจดจากกิเลสแล้วเป็นบุตรของเร า, เ, าเป็นพระหรหันต์แล้วนะพระองค์รับรองอพระองค์รับรองในพระภิกษุเหล่านั้นในพระภิกษุกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะะไปภาวนาในป่าดงแล้วก็อพอได้ ในความรู้สึกว่าได้สําเร็จแล้วนะจะมากราบพระพุทธเจ้าพ่อมาถึงพระพุทธองค์รู้แล้วว่าพระภิกษุเหล่านี้ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะเอ่ยังมีกิเลส เ, เพียงจะ ก, กิเลสเพียงแต่กิ เ, เลสราคะโทสะโมหะนี่เหมือนกับก้อนหินหรือไม้กระดานทับไว้ตนเองมันพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาได้ยังไม่ได้ไม่ใช่ผู้ถอนลากถอนโครนของกิเลสราคะโทสะโมหนะ พอเข้ามาพระองค์ก็บอกให้พระนนท์ไปบอกให้พระนั้นไปไปเยี่ยมป่าช้าไปอ่ไปดูป่าช้าไปไปเชี่ยมไปแล้วก็รู้แหละโอ้ตายทําไมพระองค์จึงให้เร า, าเราไปดูป่าช้าอพอไปดูปาช้าไปเห็นไปทางนู้นนะไปดูคนที่ตายใหม่พอไปเห็นคนที่ตายใหม่มีกิเลสในใจมันฟูขึ้นมา กระดุกกระดิกขึ้นมาทางกิจใจก็รู้ด้เองตัวนี้ยังไม่ใช่ผู้สำเร็จอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็ได้แสดงทำให้ฟังองีกท่านก็ได้สาเร็จมักสาเร็จผลนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่จะรู้ได้ไม่ใช่ตัวเองรู้ได้ใช่ตัวเองรู้ได้แต่บางเองอาจจะรู้ผิดก็ได้บางทีอาจจะรู้ผิดก็ได้อาจจะรู้ถูกก็ได้ แต่ถ้าพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ดูแลเออท่านรู้ อ, อแต่ตามไม่จริงท่าว่าผู้ที่จะรู้ได้ก็ต้องมาสนทนากันว่าภาวนาเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงหลุดพ้นยังไงพิจารณาอะไร อ, อจนรู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้น อ, อ, อันนี้ อ, อพระในครั้งพุทธกาลพุทธกา ร, ร, การถ้าพอพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเรโอ้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เพราะนั้นเวลาผู้ใดภาวนา อ, อ, อะไรก็าตามไปให้คะแนนกันได้ง่ายมันไม่ให้คะแนนกันง่ายนะต้องตรวจตาดูนะย้ําดูนะทบทวนออีกนะ อ, อ, อย่าพึงชลาใจนะอย่าไปึึ่่่งงอยาพเชื่อตัวเองเร็วเกินไปนะ อ, อต้องดูให้ละเอียดนะจึงพูดออกมาถ้ายัางไม่ละเอียดเลยอย่า อ, อ, อย่าพึงพูดออกมา เพราะนี่เป็นธรรมะขั้นสู ง, ต, งต้องระวังระวัง เ, เราพูดหวังเพื่ออะไรถ้าเราหวังเพื่อลาภเพื่อยศอันนนแะผิดใหญ่เลยเในครั้งพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่พระองค์บัญญัติวิัยสิกขาบทที่ว่าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมคือทรรมบรยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกขาดจากการเป็นพระนีอันนี้ก็คือพระภิกษุ สมัยนั้นเมืองเวรันชาเป็นมันแห้งแล้งมันแห้งแล้งแต่นี้คนทั้งหลายโอ้แต่พตระองค์ก็ยังไปเจอเหมือนกันที่พระอนุนตำข้าวแล้วก็หุงข้าวกระตังกระทตกระทั้งแกบนะเปลือกมันกนปักเปลือกข้าวตำให้ละเอียดเลยเป็นอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ อปีนั้นพระ พ, พ, พุทธเจ้าจำพรรษาที่เมืองเบลันสรานะจากนั้นพระองค์ก็จะเด็ดออกมาแต่พระภิกษุอโดยมากพายผอมกันทั้งหมดเพราะขาดอาหารไม่มีอาหารข้าวเพราะจำพรรษาเนะี่ยจำพรรษานะออกมาพระภิกษุเลพายผอมแต่พระภิกษุกลุ่มหนึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ทเลย ออกมาเอาพวกท่านจําไรจำภาษาที่ไหนอยู่เมืองเวสันทรานะไอ้พวกพาไปสู่ถามกันเอาท่านจําภาษาที่ไหนอยู่เวสัสนทร์เอาทำไมพวกท่านจึงอ่อนทวนสมบูรณ์เป็นไงการบินทบาทการอาหารการฉันเป็นยังไงทําไมโอ้ยพวกผมสบายมากอาอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์เอาพวกท่านทํำยังไงจึง สมพลบริบูรณ์อ้าวพวกผมก็มีเทคนิคด้วยสิเลยนะก็เทคนิคอย่างไรนะเออบอกว่าเนี่ย อ, อ, อยู่ด้วยกันทั้งพระสามสิบองค์เนะี่ยเออลูกน้องของอมเนี่ยนะอาจารย์ของเราเนะี่ยเออได้ปฏิสัมพิทาพิทาญาณ น, นะ เ, เป็นพระอรหันต์แล้ว อ, อ, องค์ที่สองอันนี้นะเนาะใครดั ก, ดกใจทายใจใครก็ได้ แค่วันใน30มสองค์นี่แปลว่ายกย่องกันมั้งนะอ้ไ้คนนี่นนก็ยกย่องนั่นก็ยกย่องว่านีอว่าเป็นผู้บริสุทธ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพื่อจะให้อติเลกลาบเกิดขึ้นในในกลุ่มของตนศรัทธาญาติโยมพวกเศรษฐีทั้งหลายที่เขาอยากจะได้บุญเขาก็เจียดที่เขาถึงเขาถึงเขาจะลำบากขนาดไหนเขาก็เจียดมา เพื่อถวายพระสงฆ์เหล่านี้พว่จะได้อยากจะได้บุญพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ของอ้วนท้วนสมบูรณ์เ พ, เพราะอะไรเพราะมีปัจจัยสพอมีศรัทธาญาติโยมถวายจากนั้นก็พระเหล่านั้นก็อุดมสมบูรณ์เรื่องปัจจัยสี่เพราะนั้นจึงมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่พ่อมาการพระพุทธเจ้าก็ามาขวีในให้พระภิกษุสงฆ์ฟัง พระภิกษุสงฆ์โอ้ทำอย่างนี้ไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่น่าจะถูกเนะี่ยโกหกเนะี่ยต้มตุนหลอกลวงเนะี่ยไม่น่าจะถูกก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเนะี่ยกราบทูลพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์เลยนะเนี่ยเรียกประชุมสงฆ์บอกไว้เลยเนะี่ยอันนี้คือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงภิกษุใดก็าตามอวดอุตริมนุษส ธ, ธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกนะขาดจักการเป็นพระนะเพราะฉะนั้นการที่จะยกย่องเรื่องการที่จะเชิดชูแล้วกัการที่จะยกย่องหมู่กันเองหรือ ว, ว่าพวกของตนเองเรืวว่าตัวเองเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะขาดจักการเป็นพระได้ง่ายๆเหมือนกันนะโทษประหารวันขูงง่ายๆโทษประหารของพระนี่แหละข้อหนึ่งในสข้อนั้นนี่แหละ อันนี้ก็คือผู้ที่จะทํานายได้ชัดเจนคือพระพุทธไถ่เจ้าแล้วก็นอกจากนั้นมาก็คือพระสงฆ์สาวกในตำรับตำราก็ไม่มีใครไม่มีองค์ไหนที่จะทํานายว่าชัดเจนนะอย่างพระโมกขาลาสาริบุตรท่านพร ะ, พระกัจปะอะไรก็ตามท่านก็ไม่ได้บอกว่าลูกศิษย์ของเราคนนี้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลท่านก็ไม่ไม่มีในตํารานะท่านก็ไม่ได้บอก แต่ท่านคงจะรู้กันในหมู่ในคณะถ้าใครภาวนาเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างไรอันนั้นก็ท่านคงจะรู้ในหมู่ในคณะของท่านในกลุ่มของท่านเหมือนปริยาเอกนีปริยาเอกเขาก็ต้องรู้รู้ชาวปัญญาชาวความรู้ของเขาถ้าจบปวสีอ่านออกเขียนได้เขาก็รู้ในกลุ่มของเขา ถ้าจบมสามมหกวิทย์คณิตยังไงเขาก็รู้ในกลุ่มของเขาปริญญาตรีโทเอกแต่ละคะแนนเขาก็รู้ในกลุ่มของเขาอันนี้ก็ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คงจะรู้ในกลุ่มเหมือนกันแต่ปสี่จะไปให้คะแนนปริญญาเขาก็คงจะเกินเกินเอื้อเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้แหละคือหลักธรรมส่วนลึก ของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราพูดสุบสีสุบห้าพูดไม่รับผิดชอบพูดพูดเดาไปเรื่อยคาดคะเนปักมาณการไปเรื่อยยกย่องหมู่พวกเพื่อนตัวเองไปเรื่อยมันก็ไม่ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะต้อ ง, งระวังระวังอีกเหมือนกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะกิเลสบางครั้ง เ, เหมือนกับพระที่ว่าตัวเองได้สาเร็จเป็นพระอรหนะันน่ะคล้ายๆครับผม พอภาวนาไปแล้วถอดถอนกิเลสในใจมันเงียบเออมันหลบฮเหมือนกับตัวหมัดไปหลบอยู่ในโขนหมาลักษณะอย่างนั้นเลยมันไม่โผล่ออกมาเออนี่ก็มันกิเลสมันหลบอยู่ในอยู่ในมุมอมันไม่โผล่ออกมาอแต่พอเราเพิ่มเผลอน่ะอพอกิเลสมันเผลอออกมานรับมันย่องออกมาอพอมันย่องออกมาเนี่ยที่ไหนได้โอ้โหตาย มันยังไม่หมดเนี่ยอย่างที่องค์หลวงตาหมหาบุตท่านบอกเอ๊ภาวนาไปแล้วทำไมมันเงียบแต่มันไม่บอกเงินบอกงําว่าได้สาเร็จว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงในช่วงนั้นช่วงนี้มันไม่บอกแต่มันเงียบไปเลยนีอแต่เหมือนกับจิตใจรู้สึกว่ามั น, ม, น ม, มันไม่มันไม่มีอะไรพิจารณาอะไร เห็นร่างกายกับพอพิจารณาถึงธาตุสีพิจารณาร่างกายมันก็ทําลายพุ๊บเป็นดินน้ําลมไฟไปเลยเห็นกระดูปไปเลยแล้วก็ลงไปสู่ดินอหายไปเงียบไปเลยเอพอพิจารณาพบมันปุ๊บดับไปเลยมันก็มีเพียงแค่นั้นเอได้สําเร็จหรือเปล่าหรือมันจบหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไง นี่แหละอันนี้ก็ท่านว่าท่านก็อยู่ในท่านก็พูดในใ น, ในธรรมเทศนาของท่านจากนั้นท่านก็ให้กำหนดเนี่ยดูไม่ให้มันเป็นธาตุธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่ให้เป็นอสุภะทำเพ่งให้เป็นสุภะคือความสวยงามขึ้นมาให้รูปที่สวยงามที่สุดที่เราต้องกิเลสมันต้องการยังไง กับพิจารณาอย่างนั้นผลที่สุดกิเลสอยู่ในใจที่มันที่มันฝังลึกๆบางก็เลยโผล่หัวขึ้นมานพะโอ้ใช่มันไม่ใช่นะนะมันยังไม่หมดใ่วานะนี่แหละอันนี้ท่านก็เพ่งพิจารณาอีกบ่านะี่ค้นคว้าอีกในจุดนั้นอีกอจนดูได้ว่าใจของเรากับกิเลส ในใจของเรากับสิ่งที่รู้เห็นนั่นน่ะสุภาพอาสุภาพเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นน่ะมันอยู่ที่ใจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจนั่นเองใจของเรามันเกินคืนคืนคินออกมาสุภาอาสุภาพจากนั้นก็ปล่อยวางอ่ะพอปล่อยวางพรั้วเราไปอันนี้ท่านบอกได้แล้วเอออันนี้ถูกต้องมันจะไม่เกิดอีนมาอีกในใจอีกลักษณะอย่างนี้นี่อันนี้เนี่ย ก็สรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์ในที่ท่านภาวนาพวกเรามันอยู่สุดท้ายปลายแดนสุดท้ายภายหลังจะไปมัวเมียพูดกันเลยไม่ได้ล่ะถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์จะทำนายโอ้อันนี้เป็นบุตรของเราเพราะพระภิกษุบางองค์ก็มีมีมากในยุคสมัยนั้น พอพูดคือมาพระสงฆ์หลายไม่ยอมรับเฮ้ยขี่อวดขี่คุยไปฟ้องพระพุทธเจ้าอีกแถวนี้พิชพระ อ, องค์เนี่นแหละว่าตัวเองได้สาเร็จเป็นพระสาร น, นะพูดลักษณะอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ก็เรียกมาเป็นไงเธอพูดอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะเนีพรดว่าจริงพระเจ้าค่ะที่ข้าพมพูดอย่างนั้นจริงพูดว่าเออภิกษุทั้งหลายท่านไม่ควรจะโจด ข่าวขานท่านนั้นแหลคือพระละหันมันจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละท่านเป็นพระละหันแล้วพระสงฆ์เราได้เย็นขึ้น ถ, ถอยหงายหลังไปอโอ้ใช่ยอมรับองค์นี้ได้เป็นพระละหันแล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วรับรองแล้วนี่แหละมีมากต่อมากถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างพรนันญธาพรนัญธาท่านพรนันญธา พระพุทธเจา้าท่านบอกว่าถ้าวันทถ้าว่าท่านนันทะประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้รักษาศีลอย่างนี้ภาวนาไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้ารับรองว่าเมื่อตายไปแล้วนะอท่านจะเอาสวรรค์สาวสุกไปส า, สาวสาวสวรร์ชั้นไหนอคือท่านพาขึ้นไปสวรรค์ชั้นจาตุมเลยเห็น <c oughs> สาวสวรรค์โอ้โหสวยงามอสัญญามาอีกสวยงามกว่าสัญญาตูมอีก ขึ้นไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดาวบดึงโอ้โหสาวชั้นดาวดึงสวยจริงๆไงพระอง้งบอกนั่นท่าถ้าเธอปฏิบัติธรรมนะเรารับรองว่า เ, าเธอจะต้องได้มาได้มาเกิดสวรรค์ชั้นดาวบดึงอ่าได้จะได้นี่ยเธอจะไม่ต้องคิดถึงสาวเมืองมนุษย์เอาสาวเมืองสวรรค์ดีกว่าครับผมพู น, นะพระองค์ก็เอากิเลสหลอกกิเลสมือนกันนะ เพเราะพระเทวเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะเอากิเลสล่อกิเลสเป็นน้องชายได้พปนันธ า, นาอยากจะศึกใช่ไหมละ่ะ อ, อ, อยากจะศึกไปแต่งงานนะพระองค์ก็ให้พาไปอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมยามานะ่ะเ อ, อตกติงผนละนี่สุ็ลงมาจากชั้นสวรรค์มาก็ไม่ไม่เกิดศึกแล้วนะวันนี้เพราคิดพอะจะจ ะ, จะได้ไปอยู่ ส, ส, า, วสาวสวรรค์ฮนะเอทีนี้ ความที่พระพุทธเจ้าพาพระนัน t ะขึ้นไปสวรรค์เนี่ย พ, พระพุทธเจ้ารับรองเลยจะได้ว่าจะรับรองว่าจะได้สาวสวรรค์เนี่ยเมื่อกดังกระชอนไปในวัดป่าเชตวันค้นกระถามท่านนัน tha ไปไงขึ้นไปดูสอดโอ้สวยงามจริงๆริงคุอพระพุทธเจ้ารับรองอว่าจะให้ได้ท้าววัดตายไปเนี่ยจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นเดาดึง พระพุทธเจ้ารับรองตอนนี้ความในใจกิใครก็มาถามใครก็มาถามเลยเถอะเนี่ยเออใครได้ยินที่ไหนพระทั้งพระทั้งโยมก็มาถามเถอะไปอยู่สวรรค์เป็นยังไงสวรรค์ชั้นเ อ, อต่างๆจนพระนั่นท่านอายเหมือนกันเถอะ อ, อายหมู่พวกเพื่อนหลบไปอยู่ทางหลังวัดไปอยู่ในที่ไปอยู่ที่มุมสงบ อยู่ที่มุมสสกนั่งภาวน า, า, วนากำหนดพิราณาไตรลักษณ์อเนจงังทุกขังอนัตตาตามที่พระพุทธองค์ได้แนะนำสังสอนบอกกล่าวท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์พอได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านก็ออกมาเขาก็ถามว่าไงทันทะท่านจะได้ไปสู่สวรรค์แล้วพระพุทธเจ้ารับรองจะไหมเอยพระพุทธเจ้าท่านผมไม่ไปหรอก ไปทําไมสวรรค์ผมไม่อยากไปแลอวไปทําไมพวงพูดถ้าเนื้ออันนี้เป็นพระยาการพระรหันต์เนี่ยมีแต่พระรหันต์ตอนนั้นนพูดอย่างนี้โอ้นันทาเนี่พูดเกินไปเสร็แลว้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกนันทะเข้าไปเ อ, อ้นันทะเธอพูดอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะเอออนันทะเนี่ยเป็นพระรหันต์แนะ พวกเธอทั้งหลายนะเราที่รับประกันไว้แหะแปลว่าจบแล้วเราไม่ได้ประกันนะพราะเขาเขาได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วนะเราจะไม่ประกันเขาแล้วนะจบแล้วนะียนันทานะีอย่างนี้แหละมีมากในพระไตรปิฎกอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้รับพยากรเรียกว่า ร, ร, รับรับรองรับรองความบริสุทธิ์ของพระอราหารันแต่และองค์ แต่มายุคนี้สมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพวกเราจะพูดอะไรก็ตอ้องระวียงระวังในคําพูดของตอนเองเหมือนกันนะั่นแหะแต่หลวงตาเนี่ยท่านรับรองตอนเองรับรองท่านเองเอท่านบอกเลยตัวเราหมดจดจากกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ทายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราอเป็นอย่าง อย่างที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกกล่าวท่านรับรองในองค์ท่านนะแต่ทําให้จริงถูกไหมก็ถูกพ อ, อไรถ้าว่าไม่มีใครแสดงออกมาจะเลยเอเหมือนกับปฏิบัติหลงหลงแรงๆเผยเผยน่ะวะมักผลนิพพานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วผลนิพพานไม่มีแล้วเนะดียท่านพูดออกมาอย่างชัดเจนนะอถ้ากับท่านก็บอกว่านิพพานคืออย่างไงวิธีเดินมักทำอย่างไงวิธี รู้แจ้งเห็นจริงเป็นยังไงท่าน็รู้อธิบายให้ชัดเจนให้พวกเราท่านทั้ ง, งหลายได้ฟังต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรละพรในตอนนี้นะ